พวกเราในทนาลูกหลานทั้งหลายได้ประมาทพลาดพังท่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตลอดถึงในอดีตชาติที่พวกเราได้พบได้เจอกันหรือได้ทำอะไรซึ่งกันและกันที่เรามองไม่เห็นในอดีตชาติต่ทั้งอดีตชาติด้วยทั้งปัจจุบันชาติด้วยปัจจุบันชาติเนีย่ยเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ อภัยซึ่งกันและกันแต่บัดนี้พวกเร า, าได้มาถึงจุดนี้หลวงปู่หลวงตาท่านก็ได้จากไปจากพวกเราไปพวกเราก็ไม่มีอันไหนมีแต่น้อมําลึกถึงแล้วก็กราบคารวะถ้าว่าพวกเราได้ประม า, าทพลาดพังท่านหลวงปู่หลวงตาที่จากไปในขณะนี้ที่อยู่ต่อหน้าของพวกเราด้วย ประมาทผัด พ, พังของท่านโดยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยความอะไรก็ตามขอประมวลมาทั้งหมดขอกขราบคารวะอโหสิขอให้ท่านอโหสิกรรมให้กับพวกเราพวกเราก็พร้อมที่จะอโหสิกรรมให้กับท่านาไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่ถือโทษโกรธเครืองอขอให้ท่านไปดี ที่ท่านได้กระทําไว้ดีแล้วนั้นพวกเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั like. so, ้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะมาถึงโค้งนี้สุดท้ายนี้แล้วก็ขอให้ทําจิตใจแระดับคารวะน้อมปูกพร้อมๆกันนะแต่หลวงพ่อเนี่ยบวชก่อนท่านนะหลวงพ่อในห้าสิพรรษาเนี่ท่านสี่สิบท่าน40่พรรษาหลวงพ่อในห้าสพรรษาแล้วนะเพราะฉะนั้นให้อ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 ขาห้องเราหน่าทีนี้น่อืมอ้าวกล่าบเออเอ า, า, เอาดอกไม้มาติดมากำลังมานี่แหละแต่บัดนี้โค้งสุดท้ายแล้วลงปูจากไปแล้วอมถึงยังไงก็ปกคณะแพทย์คณะพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าตือคุณวรารัตน์เนี่ยนะตั้งแต่เริ่มสร้างหอสงฆ์ขึ้นมาเนี่ยดูแลผ่าสมอยุดตลอด ทุกระดับกูบาอาจารย์ผ่านแต่คราวนี้หลวงปูของเราเ็าเอาก็จะทำยังไงได้หลวงปูเป็นตัวอยา่างปิดตายให้เป็นตัวอยา่างเพราะนั้นพวกเราอยากตั้งอยู่ในความประมาร่างกายเหมือนกับรถแต่น้ามันทาคือจิตใจที่ที่สั่งสมองออกพูดเหมือนกับคนขับรถ แต่นี่คนขับรถของหลวงปูนะ่น่ยขยับรถหลวงปูนะ่ขยับเท่าไรรถก็ไม่ขยับพออเพราะอะไรเพราะลูกสูบมันติดแหลเะเลูกสูบมันติดเมันหมดสภาพหลวงปู่จะทำยังไงได้หลวงปู่ก็ต้องออกใช่ไหมออกจากรถจะไปเฝ้ารถได้ยังไงเพราะรถมันตายเนี่นี่แหละแต่เนี่วิญญาณของหลวงปู่ก็ออกจากร่างไปแล้วแต่ถ้าโหลวงปู่ เป็นพระอาหารหันต์ชำระกิเลสได้ท่านก็เข้าสู่นิพพานถ้าวันลงปูของเราภาวนายัางติดอยู่อยู่ในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งท่านก็ไปอยู่ในภพภูมิของท่านไปชั้นพรมแต่ลงปูของเลยมั่นใจเพาท่านภาวนาใจของท่านดีพอสมควรนะ เ, เป็นภูมิมุงมั่นแต่อย่างมากๆาเลยลงปูท่านไปแล้ว แปลว่าร่างกายของท่านหมดสภาพแล้วอไปทิ้งไว้ในข้างถนนแล้วเดี๋ยวนี้อจะทํำยังไงเมื่อรถทิ้งอยู่ข้างถนนจะไปเฝ้ารถก็ไม่ได้โซเฟอร์ก็ต้องหนีออกจากรถอแต่พวกเราท่าั้งหลาย ก, ก่อนที่จะหนีออกจากรถนะนะเรามีเงินในกระเป๋าหรื อ, อยังอในสําคัญนีนี้มีทุนหรื อ, อยัง ถ้าว่าไม่มีทุนเนี่ยออกจากรถไปเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าหลวงปู่เนี่ยท่านเข้ามาบวชทั้งสี่กว่าพรรษาเนี่ยท่านมหาเนี่ยมหา ม, า ห, ามาหาเงินเลเพชรนินจินดาเงินธนบัตร เ, เงินดอลล่าเงินปอนเงินอะไรเต็มกระเป๋าแล้วงั้นท่านพอออกจากรถคันนี้ไปท่านก่ เออเราจะไปที่ไหนวะเราจะไปซื้อรถคันไหนต่อท่านก็ไปหาซื้อรถคันอื่นได้ดีกว่าแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ไดไก็ตามเนี่ยไม่ได้เตรียมเงินเอาไว้ตายแล้วไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดอีกต่างหากคิดว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่เกิดอีกหรอกเออพอออกจากพอรถคันนี้ตายไะนี่เงินในกระเป๋าไม่มีเงินในกระเป๋าแห้งบมดอ่ตัวนี้แนหะสาคัญ ให้พวกเราเตรียมเตรียมพร้อมเหมือนลูกหลานนะตายแล้วไม่สูญนะในหลักทำความสอนของพระธศาสนาทมคําสอนของพระพุทธเจ้าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่ให้เกิดนั้นคือวิ ญ, ญญาณคือใจคือมโนท่านที่ว่ามโนปุพังคข ม, มาธรร ม, มามโนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจหลวงพ่อก็เลยพูดคนเุกวันนี้มีไปที่ไหนมีแต่ใช้รถใช่ไหม ออกจากบ้านนะขึ้นรถ ล, ลงพ่อก็เลยเปรียบเสิรถมาเนนะี่ยรถคันนี้รถเหมือนร่างกายใจในี่มันโน่คือใจเนี่เหมือนกับคนโซเฟอร์รถอในหลักทำคำําสอนว่าโซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วโดยโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์ขึ้นขึ้นขับรถคันนี้เนะี่ยเหยียบคันเร่งไปชนกําแพงก็ได้เหยียบกําแพงเหยียบคันเร่งไปชนคนก็ได้เอ เย็บคันเร่งเข้าไปแล้วหันพวงมาลัยตกข้างถนนก็ได้บันได้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะโซเฟอร์เป็นใหญ่ในรถคันนั้นอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยอยู่ในร่างกา ย, ยถ้านึกโมโหเกินมาโซเฟอร์นึกโมโหกัมปั้นตีคนกตะใครก็ได้เออปืนยิงใครก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าโซเฟอร์เนี่ยเออมันเป็นใหญ่ในร่างกายสั่งให้ร่างกายทํำยังไงทาได้ด่าได้ใครก็ได้ ด่าในคลายเบรกไอ้แปลว่าแปลว่าแตรแตรรถมันออกจากปากเพรเห็นคนกับปีบแตรใส่เลยด่ากวนหูคนทั่วบ่านทั่วเมืองไม่ไม่น่าจะบีบแกจะก็ดี ป, ปีบแกใส่คน อ, อ, อันนี้ก็คือปากอถ้อาคนที่มีมรารยาทโชเฟอร์ดีใช่ไหมโชเฟอรดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมการขับรถก็ต้องถอยทีถ อ, อยให้ซ้ให้ต้องระมัดระวัง การจะบีบแ่จะรบกวนคนอื่นเขาหรือไม่ที่การเล่ปีกแกนี่ต้องระมัด ร, ระวังอันนี้คือโซเฟอร์มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเพราะนั้งสมควรอย่างยิ่งโซเฟอร์จะต้องได้รับการอบรมทนีน้อบรมโซเฟอร์จะทำยังไงจะอบรมได้พราะพระเจ้าให้นั่งสมาธิเต็ม เ, เข้าหาสมาธิกหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตใจอยู่กับตัวเองจิตใจนิ่ง พรยังเห็นใจตัวเองเลยพอเห็นใจตัวเองเลยใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรนึกคิดเรื่องอะไรพอ้รู้จาว่าความนึกคิดของใจดูเรื่องของใจนึกคิดจะให้คิดเรื่องอะไรเสียที่จึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงมันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ผ่านๆมาที่มันมีเรื่องราวมันเป็นยังไงในะคิดในช่วงนั้นเอามาเปรียบเทียบดูโอ้ใช่ในใจในช่วงนั้นมันมีอารมโมโหโกธาเนี่ย มันดีไหมมันไม่ดีนะไม่ไม่ดีเราไปทําทําไมเอาตอนนี้ไปเราจะเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีต่อไปนี่แหละลูกหลานฟังฟังไว้นะนี่แหละรักทำคําสอนของพุทธศาสนาท่านสอนสอนเรื่องของใจเลยไม่ได้สอนเรื่องของของตายเลยถ้าเป็นเนี่ยตลงปู่ของเราท่านนอ น, เ, นเหมือนกับโซเฟอร์เหมือนกับรถมันอยู่ในข้างถนนเนเอจะไปสอนยังไงก็สอนไม่ได้ พอรถตายแล้วใช่ไหมเออขยเยาอย่างเงี้ยคือยาไม่ได้พอรถมันตายแล้วมีแต่สนิมเกิดขึน้นไปเรื่อยๆสนิมเกิดขึ้นไปเรื่อยๆล้มปูเพราะอะไรเพราะสนิมก็คืออะไรก็คือความเน่าเปือ่อยผุพังนั่นอ่อันนั้นอนะ่ะคือสนิมของร่างกายแตกสลายลงสู่ดินน้ําลมไฟในที่สุดแต่จิตใจนํ้ำธรรมนั้นออกจากร่างไม่ตายจุดนั้น ตันั้นแหะพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญอย่างมากในหลักของพุทธศาสนาแต่พวกเรามองไปเห็นมองไม่เห็นก็นเลยปฏิเสธไปเลยเออปฏิเสธไปเลยปาหมาดไปเลยแต่ถึงจะปฏิเสธกับปฏิเสธไปโคนที่ปฏิเสธมั่นใจไหมที่ปฏิเสธนั้นถูกต้อง <c oughs> <c oughs> ก็ท่องถอยหลังอีกมือนไม่มั่นใจเอที่ตายแล้วศูนย์มั่นใจไหมมั่นไปใจรอเปอร์เซ็นต์ไหตายแล้วศูนย์ไม่มั่นใจ แต่เชื่อไหมไม่มั่นใจไม่เชื่ออีกเนี่ยแต่หลักจะให้พิสูจน์นั้นคือยังไงหลักของพุทธศาสนาคุณจะเชื่อเฉยเฉยแล้วไม่เชื่อเฉยเมันไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นแหะถ้าอยากจะเชื่อนแล้วอยากไม่เชื่อเน่ยถ้าคุณไม่เชื่อไม่เชื่อเฉยเก็ไม่เกิดเชื่อโดยที่ไม่มีเหตุผลก็ไม่ถูกพิสูจน์ด้วยซพิสูจน์ธรรมยังไงพอพุทธเจ้าพาพิสูจนพระพิสูจน์ยังไงพุทธเจ้าพาพุทธเจ้าบอกว่า เราตถาคตเนี่ยไปพิสูจน์อยู่ที่โคลนต้นโพวันเดือนหเพนเพระอาทิตย์ยังไม่อัจฉริยยังไม่ตกดินในช่วงนั้นเราตถาคตนายโสธิยะนำยาคามาให้พูดชัดเจนใช่ไหมล่ะมีมีบุคคลที่สองเห็นอีกต่างหากนายโสธิยะได้นำยาคาผ่านมาได้มอบยาคาให้เราแปดกำมือ จิตตทะได้ยาคา8กำ ม, มือมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองไปเห็นทางที่ตะวันออกเป็นทางที่เหมาะยาคามก็มีหัวมีหางใช่ไหมไรท่านคงจะสลับหัวสลับหางข้างและสีก ร, รมใช่ไหมแต่ละพันธุาไม่ได้พูดละเอียดถึงขนาดนี้นแต่หลวงพ่อเอ็นคิดว่าท่านคงจะสลับหัวสลับหางไรเราปูยาคาใช่ออพอยาคาปูสีกำ ม, มือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราตัฐาคตรก็ขึ้นไปนั่ง นั่งที่ย่าขาหันนักหันพระพักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเอาขาขวารับทับขาซ้ายนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นเราเอามือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงเราดำรงจติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาพิสูจน์เออท่านพิสูจน์ ออพอหายใจเข้ารั้วหายใจเข้าหายใจออกรู้วหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกคือไม่ได้ตอกตามลมเข้าไปในท้องไม่ตามไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกให้ลมอยู่ที่ปลายจมูกที่ชานจมูก อ, อ, อยู่ที่นั่นล ม, ออ ล, มออลมเข้ากุลลมออกกุลลมเข้ากุลลมออกจากนั้นพระไทยใจของเรารวมสงบเป็นหนึ่ง พอใจกิจใจรวมสงบเป็นหนึ่งเกิดยาณรัตนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาจึงว่าปุบเพนิวาสารุสติญาณรละลึกชาติคนหลังได้นี่ันน้แหละคือหลักที่สูตรและที่นี่เนี่ว่าตายแล้วไม่สูถ้าว่าปุบเพนิวาสานุสติญาณรละลึกชาติคนหลังได้แต่ถ้าคำว่าเราเกิดมาชาติเดียวเราจะระลึกชาติคนหลังได้อย่างไงอย่างเรามายืนนั่งอยู่ที่นี่เกิดมาอยู่ที่นี่เลย ย่อไม่ได้มาจากจากทางวัดจากทางบ้านของใครของเราเราจะระลึกได้ยังไงอันนี้เมื่อเรามาอยู่ที่นี่มาเรามาจากไหนวันนี้ต่างคนก็ต่างมาหลวงพ่อก็มาจากนาคำน้อยผ่านที่ไหนมาบ้างผ่านเมืองอุดรผ่านที่ไหนเช่นมาอยู่ที่นี่จนมาถึงที่นี่อันนี้เียกว่าแอบที่ผ่านมานั่นคือคืออดีตอดีตชาติที่ผ่านมามาอยู่ที่นี่คือปัจจุบันเมื่อขยับออกจากนี้เราก็อนาคตเราจะไป ที่ห้อยบังตัวเราคิดหน่นะห้วยวังตัวคืออนาคตเราต้องไปถึงจุดนั้นอันนั้นคืออนาคตแต่เราคิดไปก่อนแล้วแต่เรายังไม่ไปแต่เราก็ต้องไปตามตามที่เราคิดเอาไว้อันนั้นคืออนาคตนี่แหละอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยแหละในหลักธรรมคาสอนท่านให้พิสูจน์ให้นั่งสมาธิถ้าจิตใจรวมสงบเป็นอัปปนาสมาธิจิตใจรวมเป็นหนึ่งเท่านั้นหล่ะเราไม่ต้องถามใคร ทําไมจงไม่ต้องถามใครเพราะว่าใจกับกายกายกับจิตจิตกับกายมันขนละอ่านกันชัดเจนเลยถีงนามธรรมกับรูปธรรมพอเรานั่งอยู่เนี่ยจิตใจของเราก็รู้เลยสมาธิของเรารู้เลยว่าร่างกายในนั่งเราจะสั่งให้ทําอะไรเราจะทําให้พูดอะไร้ทําอากัปกิริยาอย่างไรเอ่สั่งกายสั่งให้เป็นไงเป็นไปได้ที่ใจที่ใจสั่งเหมือนกับโซลรถโซเฟอร์รถโซเฟอร์น จะสั่งให้รถไปยังไงเนี่ยมันไปได้แต่มันก็ไปตามวิสัยของมันจะให้รถคันนี้รถยนต์ปีนขึ้นต้นไม้เหมือนก็คงไปไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกัน่ะจะให้ร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่มันจะไปได้มันถึงจะไปได้เนี่ยใจใจของเราเดี๋ยจะสั่งสั่งให้มันไปอย่างที่ต้องเองต้อเองต้องการมันก็เป็นไปไม่ได้ ขีดความสามารถของรถของคนของแต่ละคนของแต่ละโซเฟอร์ก็ไม่เหมือนกันอีกเหมือนกันวันนั้นลูกหลานว่าใหป้ประกอบคุณงามความดีอย่าไปทำความชั่วในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นว่าเพราะนั้นเราตายแล้วเกิดเราตายแล้วไม่สูญมนุษย์ของเราเป็นเพราะอะไรพอถึงเที่ยงคืนผู้ลงก็นั่งดูได้ที ที่แรกดูตนเองก่อนเนตอนหัวำํำอย่างที่บอกจุูตูปาปาทยานพระองค์ดูพระองค์เองเดูเราตถาคตเรามาจากไหนจะมานั่งอยู่ที่นี่นสิธัตถะเออใช่เราที่แรกนะเราอยู่บนสวรรค์ชั้นรุศิษฐ์เราจะขึ้นไปแต่เทวุฏธอัาธาลงมาเพราะว่าเราเป็นเป็นวรรสุดท้ายของเราจะได้ตัดสัรู้แล้วเรามา แต่ชาติก่อนเราเป็นมาจากไหนมาจากพระเวสรซันดอเนีเ่ยพระเวชรซันดอนเป็นชาติสุดท้ายที่เป็นชาติที่จะต้องขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นสุดจากพระเวชรันดอพราะจะไงถ้ากันไล่ไปเลยจึงมี10บชาติ50สบชาติ500รชาตินะ่ะอันนี้เพียงประมาณเท่านี้ตามเพี ย, ยงเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นเป็นหมืนหม่นหเช่นแสนชาตินี่แหละคือพระพุทธเจ้าท่านดูตัวนี้พอถึงเที่ยงคืนท่านดูคนอื่นเถอะ ย่อมว่าจุกตูปะปาแต่ญาณที่แรกปุบที่แรกปุบปุบเพนิวาปุบเพนี่ว่าสานุสติญาณอันนั้นคือญาณเบิกที่แรกะพอถึงเชี่นคือจุตูปะปาแต่ญาณพอจอนสว่างอันว่าอาสาววัคไยะญาณจุตูปะปาแต่ญาณเนี่ยคือญาณที่พระอษฐ์นั่งสมาธิลนะ พอดูตนเองเสร็จแล้วเรามาจากไหนทีนะรู้เหรอเรื่อง <c oughs> ดูดูคนอื่นพอมองดูคนอื่นดูสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกโอสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาด้วยกรรมกรรมคือการกระทำพอเราเกิดมาไม่เหมือนกันคนหนึ่งสวยคนหนึ่งงามคนหนึ่งขี้ร้ายขี้เละคนหนึ่งพิกลพิการคนหนึ่งฉลาดคนหนึ่ ง, นนงโง่คนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนทําไมไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยกันทําไมไม่เหมือน กรรมคือการกระทำการกระทำกรรมได้ทำได้สามทางมโนกรรมคือแนวความคิดกายกรรมคือการกระทำวาจีกรรมคือการพูดมันแยกเอกเลยการคิดคนเราก็คิดไม่เหมือนกันการทำทาก็ไม่เหมือนกันการพูดก็พูดไม่เหมือนกันจะให้เหมือนกันได้จากไงมันจำมันจาแนกออกมาลเพราะนั้นกรรมกรรมเนนี้จำแนกให้สรรพสัตว ไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้ถ้าใครทำกรรมดีมันก็ไปเกิดไปในทางที่ดีถ้าใครทํากรรมชั่วก็ไปเกิดในทางชั่วเออเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงว่อาอัคตังตุกตังเสยโยปัจ ช, ชาตะปฏิทุกตังคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเมื่อคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วกรรมชั่วนั้นให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เนี่ยอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านท่านรู้หรอกกรรมคือการกระทําหลักของพุทธศาสนาเน้นเรื่องกรรมคือการกระทําเพราะฉนั้นอย่าอย่าคิดชั่วอย่าทำชั่วอย่าพูดชั่วถ้าท่านพูดถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วกรรมชั่วนั่นให้ผลตัวท่านเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่ละคนจะเดือดร้อนอันนี้คือถึงเที่ยงคือพอถึงโจวนสวา่างท่านวัดใจตรงนี้มันมาจากไหนใจของเรา มันทำไมมันเกิดมาจากไหนมันทำไมมาวกกวนเวียนในโลกวัตฏสงสารมันมาหาที่สุดไม่ได้ท่านก็ น, นึกย้อนหลังไปใกล้เข้าจากจังหวัดนี้นึกๆๆกนึกจนไปถึงบอกเกิดของใจทีแรกพอไปเห็นบอกเกิดของใจทีแรกคืออวิชชาปัจจยาสร้างข้าราอาวิชชาเป็นบอกเกิดของใจอวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราเป็น อวิชชาคือความโง่คือความหลงมันเป็นเกิดให้เกิดเป็นสังขารสังขารเกิดวิญญาณเกิดวิญญาณเกิดพบเกิดชาติสลามาานะันละโซกับผริเทวทุกขโตมันมาถึงตรง ว, วันนี้เพราะมันออกมาจากตัววิชชาไม่เลยจากนั้นไปมันไปถึงตัวโง่ท่านเองมันจะจบท่า น, นตัววิชชาเป็นพื้นฐานของของสิ่งที่ที่นำมาเกิดเพราะนั้นท่านจึงรู้ว่าใจตรงนี้เกิดมาจากตัววิชา เอาเถอะมันรู้ถึงจุดนั้นแล้วแต่นี่จะทำชำระใจยังไงจึงจะให้บริสุทธิ์ใจตรงนี้มันมีอะไรอยู่ในนี้จังฟีกบกวนเวียนไหวตายเกิดเป็นเพราะกิเลสกิเลสคือราคะโทสะโมหะมันอยู่ในนี้มันที่ทำให้หมุนเวียนเกิดท่านก็เลยใช้ตปะปรรมคือมักแปดศีลสมาธิปัญญากานกลองถึงไตรตองเผากิเลสตนะ้นนั้นให้ชาระออก จนกิเลสกระเด็นกระดอนออกใจจากใจของพระพุทธเจา้ากิเลสราค้าโทสะโบหะ ก, กระเด็นออกไปใจพระองค์เป็นบริสุทธิ์พระองค์รู้เลยเลยกิเลสออกไปแล้วใจนี้เป็นเราจะไม่เกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วอใจของเราชําระสิ่งที่จะเชื้อที่จะให้เกิดเราชําระหมดแล้ว อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุ้ในวันเดือนปกเพดสามอย่างปกเพนิวาสานุสิติยารละลึกชาติคนหนักไายจุตูปปาทยาการจุดติของจิตใจของสัตว์ทั้งหลายอาสาวะขยะยานยานอย่างรู้ว่าชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายไม่มาเกิดอีกแล้วเนี่ยอันนี้แหละคือหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาสรุปแล้วคือเอ กรรมชั่วจะทำเฉยๆดีกว่านะลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะให้ทำแต่กรรมดีหนะ้าสร้างตะบุญสร้างตะกุศลจะมีแต่ความสุขความเจริญอืออ้า